ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็ได้เกิดเรื่องราวสุดสะพรึงอย่างน่าเหลือเชื่อเมื่ออยู่ๆสมาชิกในครอบครัวค่ะก็ได้ทยอยตายไปทีละคนสองคน จนทำให้ญาติๆที่เหลืออยู่ในตระกูลเสาคำนะคะต่างก็หวาดผวาเนื่องจากก็หวั่นเกรงว่าจะเป็นอาถรรพ์ของบ้านที่สร้างมาจากฝาโรงศพค่ะโดยชาวบ้านละแวกนี้เนี่ยรวมถึงเพื่อนบ้านก็พยายามทักท้วงนะคะว่าเป็นสิ่งอัปมงคลหากว่านํามาสร้างก็จะเกิดเรื่องเลวร้าย แต่ว่าการสร้างบ้านก็ยังคงสร้างต่อไปจนแล้วเสร็จนะคะก็เกิดเรื่องราวชวนสยองขึ้นจนได้ค่ะอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาอย่างรอบคอบสําหรับเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านหลังสวนแห่งหนึ่งในอาเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินโดยแต่เดิมนะคะบ้านหลังนี้มีสมาชิกอยู่ในครอบครัวทั้งหมดจานวน6กคนโดยใช้ชีวิตกันตามปกติ จนกระทั่งครอบครัวนี้ก็ได้ไปนาไม้จุงลงค่ะหรือไม้ที่ใช้ทำฝาโลงศพนำมาทำเป็นฝาบ้านเมื่อตอนสร้างบ้านใหม่ๆชาวบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านก็รู้เข้านะคะก็พยายามทักท้วงแล้วก็เตือนว่าการนำไม้ฝาโลงศพมาใช้เป็นสิ่งที่ไม่ดีมันจะนำเอาเรื่องเลวร้ายมาสู่ครอบครัวแต่ครอบครัวนี้ก็ไม่ฟังคำเตือนจนกระทั่งสร้างบ้านจนแล้วเสร็จนะคะ จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์อาถรรพ์กับครอบครัวนี้เหมือนต้องคาสาปค่ะเริ่มจากผู้เป็นแม่ได้เสียชีวิตไปจากนั้นพี่ชายคนโตแล้วก็น้องคนเล็กสุดก็ได้เสียชีวิตตามไปอีกสองคนแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อ29กันยายน60คือปีที่แล้วนายบุญเหลือเสาคําอายุ36ปีชาวสุรินทร์ทอาชีพรับจ้างทั่วไปก็ได้มาเสียชีวิตตามไปอีกเป็นรายที่4ซึ่งระยะเวลาเกิดเหตุ ก, ก็ไม่ห่างกันมากนัก ทำให้ครอบครัวนี้เหลือสมาชิกเพียงสองคนก็คือพ่อที่ป่วยเป็นอัมาพาตแล้วก็พี่สาวซึ่งทั้งสองก็ได้ย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งนานแล้วนะคะขณะที่นางพิมเทพระบุตรอายุ85ปีซึ่งเป็นผู้พบศพคนแรกเล่านะคะว่าก่อนที่จะพบศพบนายบุญเหลือเนี่ยตัวเองกำลังเข้าไปหามันแล้วก็สาคูที่สวนหลังบ้าน เพื่อจะเอาไปต้มกินก็ได้เหลือไปเห็นร่างของนายบุญเหลือผู้เป็นหลานอยู่บนต้นไม้ตอนแรกนะฮะก็คิดว่านายบุญเหลือเนี่ยจะขึ้นไปต้นไม้ไปเก็บเอามะพร้าวตนจึงได้ตะโกนเรียกแล้วก็พยายามดึงขาให้ลงมาแต่ว่าพอมองขึ้นไปข้างบนต้นไม้ชัดๆอีกทีหนึง่งกลับกลายค่ะว่าเป็นนายบุญเหลือเนี่ยได้ผูกคอตายไปแล้วจึงได้รีบมาบอกญาติพี่น้องให้ไปดูก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทราบต่อไป ทางด้านของนางสุริยาเสาวคําอายุ39ปีผู้ที่เป็นพี่สาวของผู้ตายนะคะก็เล่าว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนติดเหล้าแล้วก็ประสาทไม่ค่อยดีเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุนายบุญเหลือได้มาขอเงินกับตัวเองเพื่อที่จะไปซื้อเหล้ากินแต่ว่าตัวเองบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่มีเงินแต่ก็พยายามหามาให้เพราะรู้นะคะว่าน้องชายตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ขาดเหล้าไม่ได้พอวันไหนไม่ได้กินเหล้าก็มักจะบ่นว่าอยากจะผูกคอตายทุกครั้งไป ที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลายครั้งเหมือนกันแต่โชคดีที่มีคนมาพบซะก่อนแล้วก็ช่วยเหลือได้ทันแต่ว่าในครั้งนี้ค่ะไม่มีคนพบเห็นก็เลยทำให้นายบุญเหลือผูกคอตายได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามนะคะภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทําให้ญาติพี่น้องของครอบครัวนี้ต่างก็วิตก ก, งต ก, กังวลค่ะหวั่นเกรงว่าจะเ จ, เจอกันกับเหตุการณ์อาถรรพ์และก็เสียชีวิตตามไปแบบยกครัวก็เลยหารือกันเพื่อที่จะทําการรื้อบ้านหลังดังกล่าวนี้ทิ้งภายหลังจากเสร็จงานศพของนายบุญเหลือซะแล้วก็จะได้ทําทบุญใหญ่นะคะให้กับบ้านหลังนี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเกิดเหตุาอาถรรพ์กับครอบครัวนี้อีกต่อไปค่ะ คุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องผ้าป่าผีตายบ้างไหมคะในสมัยเมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อนนะคะในภาคกลางของประเทศไทยมีการทำบุญผ้าป่าชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างจะพิเรนอยู่สักหน่อยซึ่งเรียกว่าผ้าป่าผีตายค่ะกล่าวก็คือในสมัยก่อนเวลามีคนตายบางทีก็จะตั้งศพเอาไว้ที่บ้านแล้วก็นิมนต์พระมาสวดเพราะว่าในสมัยก่อนการเดินทางไม่ได้สะดวกสบายถนนหนทางก็ไม่ได้มีอะไรดีๆเหมือนทุกวันนี้นะคะ ในกรณีที่มีคนตายก็จะมีการขนศพไปไว้ที่วัดบางครั้งก็จะลำบากมากก็เลยใช้วิธีให้พระเนี่ยมาสวดศพให้ที่บ้านในเวลากลางคืนค่ะในสมัยก่อนงานศพโดยทั่วไปไม่ได้มีมหอรสพใดๆเหมือนสมัยนี้หลังจากพระสวดศพเสร็จแล้วก็จะมีแค่ญาติพี่น้องเท่านั้นที่นอนเฝ้าศพกันพออยู่กันดึกๆเข้าก็กินเหล้ากันตามประสาจนคิดหาวิธีทาบุญกันแบบอุตริเล่นกันแก้เบื่อค่ะ การทำบุญพระป่าผีตายนั้นจะมีเลือกวัดใกล้บ้านแต่ว่าจะเลือกวัดที่อยู่ห่างออกไปมากค่ะเดินทางกันไปนิมนต์พระต่างวัดแล้วก็จะนิมนต์มาเพียงรูปเดียวเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเลือกนิมนต์พระเจ้ากุฏิพระเจ้ากุฏิก็หมายถึงว่าที่เป็นเจ้าของกุฏินั้นส่วนพระที่เป็นลูกกุฏิก็เลยโชคดีรอดตัวไป ในสมัยนั้นนะคะถ้ามีข่าวว่าบ้านไหนมีคนตายแล้วก็พระเนร เ, เนี่ยเป็นต้องเสียวสันหลังเพราะว่ากลัวจะถูกนิมนต์ไปทําบุญกลางดึกแบบนี้ตกดึกแล้วก็มีคนมาเคาะประตูกุตินะคะเรียกนิมนต์ทีนี้ก็แทบจะลมจับแล้วคิดดูนะคะว่ากว่าที่จะเดินทางไปนิมนต์ถึงวัดมันก็ดึกโขแล้วไหนจะต้องเสียวเวลาเดินทางไปบ้านที่ศพตั้งไว้อีกมันก็ยิ่งดึกเข้าไปใหญ่ก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีก การเล่นผ้าป่าผีตายนั้นค่ะเขาจะทำเป็นซุ้มคล้ายๆกับเขาวงกฎก็จะมีระยะช่องพอให้เดินได้คนเดียวทำทางคดเคี้ยววกวนพอให้งงนะคะส่วนทางเดินนั้นนะคะก็จะเป็นไม้กระดานค่ะเอามาปูวางไว้พอให้เดินได้นะคะส่วนศพนั้นเขาจะเอานอนราบแล้วก็มัดไว้กับกระดานแผ่นหนึ่งที่ทำคล้ายๆกันกับกระดาน6 ถ้าเดินมาเหยียบกระดานอีกฝั่งศพก็จะเด้งขึ้นมาแล้วเอาผ้าป่าวางไว้ที่แขนศพหาในทำในในท่าพนมมือนะคะประหนึ่งว่าศพเนี่ยทำท่ายกผ้าป่าถวาย พอพระมาถึงก็จะนิมนต์ให้เดินเข้าไปในสุ้มเพียงลําพังเสียงรีดริงเรไรเมื่อสมัยร้อยกว่าปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเอ้ยลองคิดดูว่ามันจะมืดขนาดไหนฟืนไฟก็ยังไม่ค่อยสว่างไม่ไม่มีไฟฟ้าอาจจะมีแล้วนะเป็นบางที่แต่ก็ไม่ได้สว่างเหมือนณนะปัจจุบันก็ยิ่งมีเสียงแมลงกลางคืนผสมหมาหอนตอนดึกในหูนะมันช่างบาดหัวใจเสเหลือเกินลองจินตนาการบรรยากาศกลางคืนแถวบ้านนอกในสมัยก่อนดูแล้วกันนะคะที่มีแต่ทุ่งนาลงโล่ง บ้านแต่ละหลังนี่โอ้โหปลูกห่างกันจังเลยยังกาเตรียมถนนไว้วิ่งมาทรา์นนะคะไฟฟ้านี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะพระก็ต้องเดินเข้าไปเรื่อยๆค่ะมืดก็มืดทางออกอยู่ตรงไหนก็จะสะดุดอ่าสุดจะคาดเดาแต่ก็ต้องเดินไปจนกว่าจะสุดทางพอไปเหยียบกระดานหกแล้วศพเด้งขึ้นมาต่อหน้า คิดเอาเองถอะค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นศพที่เพิ่งตายก็ยังพอทำเนาได้นะคะแต่ถ้าศพที่ตายมาแล้วหลายวันนี่แล้วก็โอ้โหนะเหลือจะรับเพราะสมัยนั้นเนี่ยไม่มีหรอกนะคะยาอาบศพหรือว่าพวกฟอร์มาลินทําให้ศพอยู่ได้นานๆอย่างดีก็แค่น้ํามันกา๊าดกรอกปากศพกลั่นอ่ากันกลิ่นเน่าก็แค่นั้นนะคะพระที่แก่พรรษาหน่อยก็พอจะครองสติกันได้แต่ถ้าเป็นพระหนุ่มๆบวชใหม่แล้วก็ลมจับให้เห็นกันบ่อยๆเลยละคะ่ะ การเล่นพี่เรนแบบนี้ตามบันทึกเก่าๆตามวัดบรนนอกก็ยังพอมีบันทึกกันอยู่คาดว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่จนามาเสื่อมความนิยมก็น่าจะสมัยร6นะะเพราะว่าเป็นการละเล่นที่ออกจะเลยเถิดเกินไปพื้นที่ที่มีการบอกเล่าก็เคยเล่นอยู่นะคะแบบนี้ก็จะอยู่แถวจังหวัดในภาคกลางเช่นอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมนครนายกรวมถึงกรุงเทพมหานาครด้วยนะคะ ถอดความเรื่องเล่านี้ของครูเหมเวชกรและหนังสือเล่าเรื่องเมืองสยามค่ะวันนี้เรายังอยู่ในส่วนของงานศพนะคะจะพูดถึงเรื่องราวของการละเล่นในงานศพก็คือเป็นการละเล่นพื้นบ้านของคนไทยในอดีตนะคะการสวดหน้าศพหรือว่าการสวดพระอภิธรรม เป็นขั้นตอนหนึ่งของประเพณีการทำศพคะ่ะเป็นเรื่องการสอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยให้พิจารณามรณานุสติกรมฐานก็คือให้มีสติระลึกถึงความตายอยู่เสมอเป็นบทสวดที่กล่าวถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารซึ่งตามปกตินีายฮะการสวดหน้าศพมักจะสวดตลอด7คืนหรือ3าคืนก็แล้วแต่ความสะดวกของเจ้าภาพนะคะ สมัยก่อนจะมีการสวดหน้าศพกันเกือบตลอดทั้งคืนค่ะแต่ว่าปัจจุบันส่วนใหญ่สวดเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นส่วนการเล่นรําสวดนะคะก็จะเป็นการละเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสวดหน้าศพของคนในภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยสมัยก่อนชาวบ้านเนี่ยนิยมตั้งศพ บ, บาเพ็ญกุศลกันหลายวันหลังจากการสวดพระอภิธรรมจบแล้วพระจะสวดบทพระมาลัยต่อ ก็เสมือนกันอยู่เป็นเพื่อนศพละค่ะซึ่งคนก็นิยมฟังกันมากเนื่องจากท่วงทํานองลีลาและจังหวะการสวดจะเป็นแบบละครนะคะที่มุ่งสื่ออารมณ์แก่ผู้ฟังด้วยลีลาน้ำเสียงที่ฟังสนุกแต่ก็มีเนื้อหาเน้นการสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษครั้นต่อมานะคะก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการสวดพระมลัยจากพระมาเป็นคารวาตเป็นผู้สวดแทนหรือที่เรียกว่าสวดคริหัดค่ะ ซึ่งบางแห่งก็มีการปรับใหม่และเรียกว่าการเล่นรำสวดแทนเช่นที่จังหวัดตราดซึ่งถือว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ใช้เล่นในงานศพหลังจากพระสวดอภิธรรมเพื่อจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพให้คลายความเศร้าโศกนั่นเองค่ะ จากผลงานวิจัยเรื่องการเล่นรําสวดในจังหวัดตราดของนางสาวปราถนามงคลทวัตและนางสาวสายสมรงามล้วนซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปีพศ2547ที่ผ่านมานะคะพบว่าจังหวัดตราดเป็นจังหวัดหนึ่งค่ะที่เป็นที่ตั้งของคณะรําสวดที่มีชื่อเสียงจํานวนหลายคณะและก็ยังเป็นที่นิยมของคนในจังหวัดตราดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงโดยคณะรําสวดจะมีกา อยู่ในหลายอำเภอเช่นอําเภอเมืองตราดอําเภอแหลมงอบอําเภอเขาสมิงแล้วก็การเล่นรำสวดในจังหวัดตราดนี้มีการพัฒนานะคะความเป็นมายาวนานเกือบ200ปีแล้วนะคะ โดยพัฒนามาจากการสวดพระมาลัยของคาราวาสที่ใช้สวดในงานศพซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ผู้ชายสวดจำนวน6 4 6คนผู้สวดก็จะรำประกอบการสวดโดยนั่งรำอยู่กับที่ไม่ลุกขึ้นมารำจึงได้เรียกการสวดแบบนี้ว่ารำสวดค่ะ และก็จากการศึกษาวิจัยได้พบนะคะว่าผู้ที่เล่นรำสวดในจังหวัดตราดเป็นบุคคลแรกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่พูดถึงในปัจจุบันก็คือครูทวดสนพยาเวศคนบ้านหินดาดอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดซึ่งก็ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่หากจะนับอายุจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ประมาณ200ปี อีกท่านคือครูแคล้วเวชศาสตร์ค่ะท่านนี้ก็ถึงแก่กรรมไปแล้วเช่นกันโดยท่านทั้งสองถือได้ว่าเป็นครูรำสวดที่ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านนี้ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหามากมายรวมถึงรุ่นครูในปัจจุบัน ส่วนวิธีการแสดงรําสวดในจังหวัดตราดแต่ละคณะนะคะจะมีผู้แสดงประมาณ4ีถึงหคนโดยมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยหลักๆแล้วค่ะจะประกอบไปด้วยการแต่งกายและก็เครื่องดนตรีส่วนใหญ่นักแสดงฝ่ายชายจะเน้นการใส่สีดําเป็นหลักนะคะแล้วก็สีขาวเป็นหลักค่ะส่วนนักแสดงหญิงจะเน้นสีดํทาทั้งเสือ้อแล้วก็ผ้านุ่งแล้วก็จะไม่ใสก่กางเกง มีผ้าคล้องคอสีอะไรก็ได้นะคะบางแห่งก็จะใช้ผูกเอลแทนคล้องคอเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยกลับฉิ่งแล้วก็ตะโพน สำหรับขั้นตอนของการเล่นรำสวดนะคะหลังจากพระสวดอภิธรรมจบแล้วทางคณะก็จะมีการเตรียมเครื่องเคารบครูได้แก่ดอกไม้3มสีเงิน12บาทเทียนหนึ่งเล่มทูบสามดอกเหล้าหนึ่งขวดนะคะมีหมาก3คำเมื่อไหว้ครูบาอาจารย์เสร็จก็จะเริ่มบทไหว้ครูโดยนั่งล้อมวงกันบอกครูบาอาจารย์ก่อนแสดงเป็นการร้องรวมกันทั้งคณะ จากนั้นคณะก็จะถามเจ้าภาพก่อนว่าจะให้สวดพระมาลายหรือไม่ถ้าเจ้าภาพให้สวดทางคณะก็จะสวดพระมาลายให้แต่ถ้าไม่ก็จะเล่นรำสวดต่อเลยนะคะหรือในะอีกกรณีหนึ่งค่ะคือสวดพระมาลายให้ตอนก่อนสว่างหรือก่อนการแสดงจะจบลงเมื่อเริ่มแสดงก็จะเป็นการกระห น, นำํำด้วยการร้องลำบอกว่าวันนี้เนี่ยจะเล่นเรื่องอะไรคล้ายกับเป็นการแจ้งกาหนดการแสดง จากนั้นค่ะก็จะเป็นการรำสวดเป็นเรื่องๆตามที่ได้แจ้งเอาไว้เช่นการแสดงเรื่องพระอภัยมณีขุนช้างขุนแผนซึ่งโดยปกติแล้วเป็นเรื่องยาวจะแสดงไม่เกินคืนละ2เรื่องแล้วก็ระหว่างเรื่องอาจจะยังมีการขั้นจังหวะด้วยการเล่นลำแต่งค่ะหรือว่าร้องเพลงลูกทุ่งสลับบ้างยกเว้นบางคณะที่เล่นแบบอนุรักษ์ดั้งเดิมก็จะไม่เล่นพวกขั้นเวลาอะไรอย่างนี้นะคะ ทั้งนี้ส่วนใหญ่ก็จะถามเจ้าภาพก่อนเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของงานแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบทสั่งลาก่อนสว่างมักจะเป็นการนำบทมาจากวรรณคดีที่มีความหมายคล้ายๆกันกับการรำลำ่าลาซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นศพสั่งลายาตพี่น้องญาติสั่งลาศพบและคณะรำสวดลาเจ้าภาพแล้วก็เป็นการรำสวดจะทาในคืนสุดท้ายก่อนเผานั่นเองค่ะ สำหรับเนื้อเรื่องที่ใช้ในการรำสวดมักจะมาจากวรรณคดีเป็นส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ฟังเช่นเรื่องพระอภัยมณีขุนช้างขุนแผนลักษณะวงกรทองสังทองเป็นต้นนะคะโดยก็จะมีทํานองเก่าๆ เ, เช่นลมพัด ช, ชายเขาทํานองนาเกี้ยวทํานองสุดสงวนแล้วก็ทํานองใหม่เช่นลูกสาวใครหนอมาเล่นรำโทนหรือว่าทานองเพลงลูกทุ่งเป็นต้นค่ะ ทั้งนี้ท่าที่ใช้รําจะไม่ได้คิดขึ้นมาใหม่แต่ว่าจะใช้การประยุกจากท่ารําของลิเกหรือว่าท่าราของบทละครเช่นท่าชี้นกท่าชมไม้อย่างนี้นะคะโดยจะฝึกกันเองในคณะโดยปกติแล้วค่ะโอกาสในการแสดงรําสวดจะเล่นในงานศพนะคะซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของงานหรือว่างานบรรจุอัฐิ งานทําบุญวันตายแล้วก็เวลาฝึกหัดเล่นรําสวดเนี่ยมักห้ามไม่ให้ฝึกที่บ้านแต่จะไปหาที่ฝึกกันเฉพาะเช่นที่วัดหรือที่ศาลเจ้าเป็นต้นค่ะแต่ว่าในปัจจุบันบางคณะเช่นคณะบุญยิ่งเจริญวงจากตกําบลเกาะช้างก็ได้ประยุกต์นําการรําสวดไปแสดงในพิธีที่ไม่เกี่ยวข้องกับความตายแล้วโดยเป็นแสดงในลักษณะประชาสัมพันธ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดตราดในงานต่างๆเช่นงานกาชาติงานเปิดสนามบิน เพียงแต่ว่าคณะจะต้องระวังนะคะมิให้มีบทร้องที่เกี่ยวข้องกับความตายไปใช้เท่านั้นเอง แต่ว่าจะใช้ลำแต่งที่แต่งขึ้นมาใหม่เพื่องานนั้นๆโดยเฉพาะเช่นเป็นเพลงอนุรักษ์ป่าไม้หรือเป็นเพลงต่อต้านโรคเอดอย่างนี้นะคะสำหรับค่าตอบแทนในการแสดงเล่นรำสวดหน้าศพนี้ก็จะเหมาจ่ายทั้งคณะประมาณ 2,000-5,000 บาททางนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่ว่าใกล้หรือว่าไกลเพียงใดแต่ก็มีบางกรณียกเว้นค่ะเช่นญาติพี่น้องของคณะราสวดเนี่ยนะค ะ, ะเป็นญาติพี่น้องกันเอง ก็จะไม่คิดค่าตอบแทนถือว่าเป็นการมาช่วยเหลือแล้วก็ทำบุญร่วมกันนะคะ ส่วนการเล่นรำสวดถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของคนในจังหวัดตราดที่นอกจากจะให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมการแสดงแล้วนะคะก็ยังเป็นการสร้างค่านิยมและหลักปฏิบัติ ด, ด้านความเชื่อทางศาสนารวมทางได้มีส่วนอนุรักษ์พัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วยค่ะ เราพูดถึงการละเล่นในงานศพนะคะของภาคกลางก็คือผ้าป่าผีตายไปแล้วแล้วก็เรื่องของการรำศพนะคะการสวดรำศพของชาวาจังหวัดตราดทางภาคตะวันออกของประเทศไทยกันไปแล้วทีนี้เนี่ยมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องสุดท้ายประจําวันนี้ก็คือเรื่องการเล่นสนุกในงานศพนะคะหรือว่าการเล่นอึกกระทึกคลุกโครมที่เรียกว่างานเฮนดีค่ะงานเฮืนดีเป็นพิธีเรียกขวัญคืนร่างคนตายยุคดึกดําบัรนเรา 2,500 ปีมาแล้วมีหมอขวัญกับหมอแคนขับลำคําคล้องจองทํานองง่ายๆคือเป่าแคนคลอแล้วก็ฟ้อนประกอบค่ะก็มหาหรสพสนุกสนานเฮฮาในงานศพของคนไทยทุกวันนี้ก็มีเหตุมาจากความเชื่อในาศาสนาผีหลายพันปีมาแล้วของคนทุกเผ่าพันธุ์ในอุตสาคเนว่าคนตายขวัญไม่ตายแต่ขวัญหายออกจากร่างแล้วหลงทางกลับไม่ได้ ถ้าเรียกขวัญกลับคืนร่างเดิมคนก็ฟื้นคืนปกตินั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อมีคนตายค่ะเครือญาติพี่น้องทั้งชุมชนก็เลยต้องตีเกราะเคราะหไม้ประคมคล้องกลองร้องรําทําเพลงฟ้อนสนุกสนานเฮฮาส่งเสียงดังกึกก้องให้ขวัญได้ยินขวัญจะได้กลับมาถูกทางตามเสียงนั้นแล้วก็คืนร่างค่ะก็พบเป็นหลักฐานลายสลักบนขวัญสัมฤทธิ์สชิ้นอยู่ที่เป็นวัฒนธรรมดองซอนอายุราว 2,500 ปีมาแล้วนะคะก็ ฝังรวมกันกับสิ่งของงินอื่นในหลุมศพที่ประเทศเวียดนามค่ะ ลายสลักก็เป็นรูปหมอขวัญกับหมอแคนขับลำทำท่าฟ้อนกลางแขนย่อเ ข, ข่าก้าวขาซึ่งเป็นสัญลักษณ์พิธีเรียกขวัญคนตายคืนร่างที่ฝังอยู่นะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีก็มีเหมือนกันเป็นลักษณะคล้ายกับภาชนะเขียนสีรูปขวัญวัฒนธรรมบ้านเชียงพบอยู่ที่หลุมศพ บ, บ้านเชียงจังหวัดอุดรทางอีสานเขาก็จะเรียกกิจกรรมความเชื่อนี้ว่างานเฮือนดี เป็นต้นแบบหรือว่าต้นทางของมหรสพในงานศพของไทยร่มน้ำเจ้าพระยาเอ่ยผ้ากลางเอ่ยก็จะพบวรรณกรรมต่างๆกันไปว่าจะมีปีพาดมีโขนมีละครมีหนังใหญ่มีลิเกเสภาต่างกันไปนะคะแต่ว่างานเฮือนดีอีสารค่ะก็จะมีการละเล่นเรื่อเริงบนเรือนคนตาย มีหมอลำหมอแคนถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะก็อาจจะมีการอ่านหนังสือกาบกรวรรณกรรมเช่นมีสินไซการะเกดแล้วก็มีการเล่นต่างๆเช่นเสือตกถัง เฉพาะอีสานมีคําอธิบายของพระโพธิวงศาจารย์หรือว่าติดโสอ้วนจะคัดมาโดยปรับย่อหน้าให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือท่านบอกว่าที่บ้านของผู้ตายนั้นตั้งแต่วันที่ตายไปกลางคืนก็จะมีผู้คนที่รู้จักรักใคร่กันกับวงศาราญาตนะคะพร้อมเพื่อนๆบ้านใกล้เคียงมังกันกันเรียกกันว่างานเรือนดีนะคะคือมีคนมาประชุมช่วยพร้อมกันหญิงสาวชายหนุ่มก็พูดหยอกเย้ยกันในงานนี้ผู้ที่เป่าแคนที่ เป่าแคนเป็นเนี่ยก็จะเอาแคนมาเป่าเล่นมาเป่ามาล่ํากันพวกที่อ่านหนังสือเป็นก็หาหนังสือเรื่องคํากรรลโบราณมาอ่านเช่นเรื่องสังศิลป์เรื่องการะเกตเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีการอ่านการเล่นอีกอย่างหนึง่งคือเล่นหมากหัหรือว่าหมากแยกมีเล่นเสือกินหมูนะคะมะีเล่นเกล้งตะเวนมีหมากแกล้งขี้สร้างนะคะมะีพวกของเล่นเหล่านี้เนี่ยมี มีชอบเล่นอยู่ในพวกผู้หญิงสาวชายหนุ่มถ้าใครแพ้หรือว่าชนะมักจะมีทุบตีหยอกเย้ากันในหมู่คณะหญิงสาวชายหนุ่มถ้าคนที่อายุมีอายุแล้วเนี่ยเขาก็จะหันไปฟังหนังสือที่เขาอ่านการงันเรือนดีชนิดนี้เนี่ย นับตั้งแต่วันที่ตายไปบางทีเนี่ยจนถึงวันที่นําศพไปเผาหรือว่าไปฝังถ้าเป็นผู้ที่มีตระกูลเชื้อวงมีบรรดาศักดิ์อย่างมากงานกันตั้ง3เดือนเลยนะอย่างน้อยก็3วัน5วัน7วันค่ะตามฐานาหนุรูปของคนพื้นเมืองเมื่อนําศพไปเผาแล้วหรือว่าฝังเสร็จแล้วกลับมาต้องทําบุญเรือนสวดมนต์เย็นอีก3วันรุ่งขึ้นฉันเช้าในระหว่าง3วันที่สวดมนต์นั้นมีงานเฮือนดีเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่18ตอนที่สว่าด้วยประเพณีของชนชาวมนทนอีสานโดยพระโพธิวงศ์ส า, าร์หรือว่าท่านติดโศอ้วนเรียบเรียงแล้วก็พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีพศ2496ค่ะทิ้งท้ายกันที่งานศพของผู้ไทยกันบ้าง งานศพของผู้ไทยค่ะก็จะมีการละเล่นสนุกสนานเฮฮาเหมือนกันเป็นประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มชนในภูมิภาคอุษาคเนย์โดยพระโพธิวงศ์าจารย์เนี่ยท่านได้อธิบายวิธีการจัดศพผู้ไทยหรือว่าไทยดำลาวซ่งบีเองก็จะพยายามย่อหน้าอ่านให้คุณผู้ฟังฟังได้กันแบบเข้าใจเข้าใจนิดนึงะนะคะท่านบอกไว้ว่าถ้าผู้ตายมีบุตรเอยในเวลากลางคืนต้องมีการกระทบศา วิธีนี้จะเว้นไม่ได้คือมีศากด์เจ็ดคู่จับกระทบกันแล้วลูกเขยทุกคนเต้นไปตามจังหวะศาก์ถ้าเต้นไม่ดีศากดถูกขาถ้าเต้นไม่เป็นต้องจ้างคนเต้นแทนต้องเต้นทุกๆคืนจนกว่าจะนำศพออกจากบ้านนอกจากนี้ก็จะมีหมอลำหมอแคนเล่นกันสนุกสนานคคเครือครื้นเฮฮา การนำศพไปเผาหรือว่าไปฝังถ้าเป็นผู้ที่มีตระกูลหรือว่ามีทรัพย์สมบัตินะคะมักจะมีพระสงฆ์นำหน้าศพแล้วก็มีการสวดอภิธรรมไปตามทางนอกจากนี้ค่ะก็จะมีหมอลำหมอแคนเล่นกันเฮฮาไปตามทางนะคะมหรสาพของคนไทยหรือว่าที่เรียกว่างานเฮือนดีในอีสานแล้วก็กลุ่มผู้ไทยเนี่ยเป็นพิธีกรรมสืบเนื่องมาจากชุมชนดึกดําบันหรรพัน์ปีมาแล้วจากนั้นก็ส่งทอดไม่ขาดสายอยู่ชุมชนบ้านเมืองปัจจุบัน นับเป็นต้นทางงานศพของคนไทยซึ่งพบทั่วไปแต่ที่สำคัญค่ะมีในวรรณกรรมราชสำนักกรุงรัตนโกสินด้วยเช่นอีนาวขุนช้างขุนแผนนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้งานเฮือนดีน่าจะไม่ค่อยมีแล้วถึงมีก็ค่อนข้างจะหายากพอสมควรแล้วแหละนะคะสมัยที่บีเป็นเด็กเนี่ย เคยเจอเหมือนกันนะ ง, งานเฮนดีแล้วก็เคยไปเล่นด้วยอืมแต่ว่าปัจจุบันไม่รู้ว่ายังคงมีอยู่หรือเปล่านะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วเราได้ความรู้กันไปเต็มๆสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีของเราด้วยก็จะมีเรื่องผี หรือว่าจะเป็นเรื่องราวของพระเกจิจากสายต่างๆนะคะที่ท่านได้ไปออกจาริกธุดงแล้วก็ไปเจอกับเรื่องราวเร้นลับนะคะของบรรดาพวกมิจฉาทิฐิหรือว่าสัตว์ป่าพนาพรายก็แล้วแต่รวมถึงตำนานเกล็ดความเชื่อแล้วก็เรื่องของชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังทางบ้านส่งเรื่องมาให้เล่าให้ฟังเจอกันที่นี่นะคะพระเจอผีแต่ว่าวันนี้ไปแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ